จะแก้ความกลัวผีได้อย่างไรนี่เป็นคำถามจากปากซึ่งมีมาที่ผิดปกติในช่วงหลังๆแทบจะกล่าวได้ว่าไปไหนก็เจอแต่คำถามนี้จากปากทุกเพศทุกวัยฉะนั้นนี่อาจกำลังเป็นปัญหาใหญ่ของคนจำนวนมากก็ขอเจรไนโดยละเอียดในกล่าวเดียวเลยแล้วกัน ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสัมผัสทางวิญญาณโอกาสที่คนคนหนึ่งจะเห็นผีทั้งลืมตาหรือยินเสียงผีกับแก้วหูหรือได้กลิ่นผีด้วยจมูกนั้นหาใช่เรื่องที่เกิดขึ้นง่ายนักจิตของคนเจอผีต้องมีสื่อวิญญาณคือพูดง่ายๆว่า มีสภาพเป็นช่องทางเชื่อมต่อกับพวกเปรตหรือเทวดาได้ที่เรียกกันว่าผีนั้นส่วนใหญ่คือเปรตนั่นเองครับอาจมีบ้างที่เป็นเทวดาชั้นต้นๆสัมผัสที่หกของคุณจะแยกแยะได้เองว่าใครเป็นใครถ้าเป็นเปรตที่บาปหนาคลื่นจิตเขาจะหยาบและน่าสะพรึงกลัว ทำให้บรรยากาศรอบตัวเยียบเย็นและความเยียบเย็นนั้นกระทบความรู้สึกของคุณให้หนาวสั่นหลังขนลุกสู้หรือกระทั่งรับได้แม้คลื่นความประสงร้ายเปรตพวกนี้มักเคยเป็นอันธพาลหรือเคยจองเวรกับคุณมากรรมสัมพันธ์ระหว่างเขากับคุณหรือบาป บ, บางอย่างของคุณ จะทำตัวเป็นประตูเชื่อมให้เกิดสัมผัสสยองขนขึ้นได้นิสัยชอบแกล้งชอบข่มเหงรังแก่ที่ติดอยู่ในสันดานเปรตจะยุให้เขาใช้ตบะในตัวกระทำกับคุณอาจพยายามให้คุณเห็นในฝันหรือถ้าเก่งกว่านั้นคือให้คุณเห็นทั้งกำลังลืมตาตื่นแต่โดยมาก เขาจะทำความรู้สึกถึงอำนาจที่น่ากลัวในตนเองแล้วแผ่อำนาจนั้นออกไปกระทบจิตคุณแรงๆเพื่อให้ขนลุกส้านแบบไม่มีปีมีคลุยหากคุณเคยเป็นนักเลงที่ชอบข่มขวัญคนอื่นด้วยการเดินย่างสามคุมเข้าหาเหยื่อก็จะประมาณเดียวกันกันกบที่เปรตอันทาพานพวกนี้ชอบทำกัน อย่างไรก็ตามเปรตที่บาปหนามักโดนขังไว้ด้วยกำแพงบาปในเขตจำกัดคุณต้องเข้าไปในที่อยู่ของเขากับทั้งต้องมีเหตุผลบางอย่างจึงจะเชื่อมติดสัมผัสพบเจอเขาได้สรุปคือไม่ใช่เรื่องง่ายที่เปรตบาปหนาจะมาเกี่ยวข้องกับมนุษย์ทั่วไป ถ้าเป็นเปรต ท, ที่บาปน้อยคลื่นจิตจะ น, น่าสงสารแต่บาปที่ห่อวุ้มจิตเขาไว้จะทำให้คุณรู้สึกกลัวขึ้นมาอยู่ดีหากคุณเคยรับคลื่นความทรมานของสัตว์บาดเจ็บคุณสมเพศขณะเดียวกันก็เกิดความขยาดนึกขยงในแผลเวอะวะของมันก็เป็นในทํานองเดียวกันบาปอากุศลไม่ได้แค่เล่นงานเจ้าตัว แต่ยังมีอิทธิพลกระทบให้ผู้อื่นรู้สึกนหนาวาตามไปด้วยเปรตจำพวกนี้เมื่อครั้งเป็นมนุษย์อาจเคยช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากหรือเคยมีความผูกพันกับคุณมาโดยตรงในฐานะคนรู้จักที่จดจำกันได้กรรมเหล่านั้นจะเปิดช่องให้เขาเห็นความสว่างในคุณพร้อมทั้งรู้ด้วยสัญชาตญาณว่าคุณคือที่พึ่ง เหมือนเขาทราบว่าหน่วยการคนเป็นหมอต้องประมาณไหนถึงน่าไว้ใจว่าจะให้ยาแก้ไขกับเขาได้คุณสามารถทำบุญและอุทิศบุญให้เขาเพียงใจเขารับบุญอันเป็นความสว่างจิตที่มืดมนทนทุกข์อยู่ก็จะดีขึ้นวิธีขอส่วนบุญของเปรตมีได้หลากหลาย แต่อยากสรุปคือมนุษย์ส่วนใหญ่จะไม่เข้าใจไม่รู้ว่าได้รับการติดต่อขอความช่วยเหลือโดยมากพวกเปรตเหล่านี้จึงช่วดในสิ่งที่ต้องการกันถ้าเป็นเปรตที่มีบุญอยู่บ้างพวกนี้บางทียังมีความทรงจำครั้งเป็นมนุษย์อยู่ยังจำได้ว่าเคยเกี่ยวข้องกับใครมาหากคุณเคยเสนิทกับเปรตจาพวกนี้มาก เขาเห็นคุณแล้วอยากทักคุณก็อาจบรันรดาลเสียงขึ้นมาคุณจึงอาจรู้สึกเหมือนหูแว่วได้ยินเพื่อนซีเรียกจากข้างหลังเป็นต้นโดยมากทักสองสามครั้งอยากให้คุณพูดอะไรกับเขาบ้างถ้าเขาทำเสียงให้คุณได้ยินกับหูเนี่ยแต่ละคําต้องใช้กำลังจิตมหาศาลฉะนั้นจะพูดสั้นที่สุดเช่นเรียกชื่อ พอเรียกเสร็จหรือฟังคุณโตอตอบเสร็จก็ไปไม่รบกวนอีกเนื่องจากไม่ได้ต้องการพึ่งพาอะไรเปรตพวกนี้พอใช้หนี้บาปด้วยการร่อนเร่ในพกเปรตหมดก็มักเข้าท้องคนหรือถ้าเจอบาปอีกชุดกระหน่ำสัต์ก็อาจเข้าท้องสัตว์สุดแล้วตะเวนแต่กรรมจะให้ผล เป็นเทวดาซึ่งมีนิวาสถานุรียดินคือมีความใกล้มนุษย์ยังมีความผูกพันกับมนุษย์อาจอาศัยตามต้นไม้ใหญ่หรือสารพระภูมิมีกรรมสัมพันธ์บางอย่างกับมนุษย์เช่นรับเครื่องเซนไว้ได้พวกนี้จะให้สัมผัสเย็นสบายขณะสัมผัสคุณจะเย็นใจเหมือนอยู่ย่คิดดีอารมณ์ดีขึ้นได้เองอยากให้ทราบจากข้อนี้ ว่าประสบการณ์สัมผัสวิญญาณ น, นั้นอาจเกิดขึ้นกับตัวคุณมาแล้วและไม่จำเป็นต้องเป็นสัมผัสสยองเสมอไปเทวดาไม่ใช่ผีที่น่ากลัวตามนิยามไทยๆแล้วก็ไม่ใช่ว่าต้องดึงดูดพลังงานความร้อนไปจนอากาศเย็นเหมือนอย่างที่หนังฝรั่งบางเรื่องบอกไว้ตรงข้าม คุณอาจรู้สึกอบอุ่นสบายขึ้นด้วยซ้ำเพราะเทวดาสวยพบสวรรค์ได้ก็ด้วยบุญบุญเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความรื่อนเริงยินดีไม่เฉพาะเจ้าตัวแต่พลอยได้กับคนรอบข้างด้วยถ้าเป็นเทวดาชั้นสูงมีเยอะใหญ่กับมนุษย์น้อยแต่ก็คอยอนุโมทนาบุญใหญ่ๆที่มนุษย์ทมด้วยจิตประกอบมหาสมณะ พวกนี้จะทำให้คุณอบอุ่นยิ่งบรรดาปีติที่มากอยู่แล้วให้กว้างขวางขึ้นไปอีกหลายครั้งที่ทำบุญใหญ่แล้วเตี่ยมสุขเหมือนขึ้นสวรรค์ก็อาจเป็นได้ที่คุณสัมผัสกระแสสวรรค์อันเกิดจากแรงอนุโมทนาของเหล่าเทพชั้นสูงเหล่านี้ถ้าเป็นพระพรหม ซึงถือกําเนิดในภพพรมได้ด้วยสมาธิจิตระดับชานอันนี้อย่างมากท่านก็มาในรูปของกระแสจิตอนุมโมทนาบุญคนธรรมดาสัมผัสแล้วไม่ค่อยรู้สึกเพราะจิตของพรมใหญ่มากต้องมีเมตตาจิตละเอียดประณีตหรือเจริญสมาธิได้ชานจึงจะรู้จักกระแสจิตประเภทนี้สัมผัสกระทบที่รับ จะเหมือนดวงกุศลขนาดมะฮืมาครอบโลกหรือเหมือนดวงอาทิตย์ที่แผดแสงกุศลสว่างอยู่เหนือเพื่อนพิภพขึ้นไปหรือเหมือนสัมผัสที่ทรงอํานาจหน้าครามเกรงโดยเฉพาะถ้าเป็นมหาพรหมผู้ยิ่งใหญ่สัมผัสของท่านจะกดให้คนธรรมดาต้องคุกเข่าแงนหน้าขึ้นไหว้ฟ้าทั้งฟ้าแทนองค์ท่านทีเดียว สัมผัสวิญญาณของจริงยังแยกย่อยได้อีกมากที่กล่าวมาเป็นเพียงคร่าวแต่สรุปตรงนี้ว่าสัมผัสวิญญาณมีจริงและสัมผัสก็มีหลายแบบขึ้นอยู่กับว่าคุณไปสัมผัสเข้ากับใครภูมิจิตระดับไหนเหตุผลที่สัมผัสคืออะไรด้วยภาวะมนุษย์ธรรมดาที่ไม่รู้ไม่เห็นเรื่องต่างมิติโดยมากคุณไม่มีเหตุผลสมควร ที่จะใส่ใจแม้สามารถสัมผัสได้จริงก็ตามคนทั่วไปแค่คุยกับคนด้วยกันก็สื่อสารยากจะแย่อยู่แล้วก็ไม่ทราบจะพยายามสื่อสารกับเพื่อนร่วมทุกต่างมิติไปทำไมอีกอย่างมากพระพุทธเจ้าจะทรงแนะนำให้แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้สัพพวิญญาณที่มองไม่เห็นเพื่อผูกมิตรเพื่อตั้งคลื่นจิต ให้เป็นเครื่องสงบของกันและกันเท่านั้นข้อเท็จริงเกี่ยวกับสัมผัสผีอุปาทานในบรรดาผีทั้งหลายผีอุปาทานในตัวเราน่ากลัวที่สุดเพราะไม่จำเป็นต้องมีอยู่จริงขอแค่มีอยู่ในใจเราแบบเก๊ะเกมันก็สามารถติดตามเราไปได้ทุกหนทุกแห่ง ไม่จำกัดกลางวันกลางคืนไม่จำกัดว่าต้องเป็นในห้องน้ำหรือในห้องนอนผีอุปาทานเกิดจากหลายสาเหตุและบางสาเหตุก็ไม่ใช่เรื่องเล็กไม่ใช่เรื่องหน้าดูเบาเพราะในโลกนี้ไม่มีใครเป็นศัตรูกับตัวคุณได้ร้ายเท่าจิตและกรรมของคุณเองขอเพียงหลงตั้งจิตไว้ผิดจิตของคุณจะแผลงฤทธิ์เป็นจริงเป็นจัง เหนือกว่าศัตรูที่มีตัวเป็นๆให้จับต้องได้มากนักคุณอาจยิ้มยิ้มเมื่อฟังว่าเทคโนโลยีสร้างเกมและเทคโนโลยีสร้างหนังในปัจจุบันก้าวหน้าเพียงใดทำให้เกิดความสมจริงสมจังได้ขนาดไหนแต่คุณอาจรหนกถ้าทราบว่ายิ่งเกมหรอรโห์กับหนังสยองขวัญสมจริงขึ้นเพียงใดจิตมนุษย์ จะยิ่งถูกดึงดูดให้เข้าสู่หลุมดําแห่งบาปอากุศลถอนตัวยากมากขึ้นเท่านั้นเพราะพบอันน่ากลัวจะก่อตัวในจิตทีละน้อยเหมือนไม่เป็นไรพอรู้สึกตัวอีกทีก็ถูกดูดติดอยู่กับพบแห่งความน่ากลัวนั้นแล้วความกลัวเป็นกิ่งก้านสาขาของโทสะโทสะเป็นมูลเหตุแห่งความวิกจริ ความคลุ้มคลั่งความกระวนกระวายเร่าร้อนหลอนประสาทขอเพียงโทสะมีกำลังกล้าแข็งพอเจตที่ไม่รู้อินโนอินเนย่อมเห็นอะไรไปได้สารพัดเหมือนตกอยู่ในห้วงฝันที่คนไม่อาจแยกออกว่าภาพเสียงเป็นของจริงหรือของหลอกสรุปคือผีอุปาทานไม่ใช่วิญญาณที่มีให้สัมผัสได้จริง แต่เป็นความปรุงแต่งทางจิตมีตัวทนอยู่ได้ด้วยความหลงคิดหลงเชื่อหลงกลัวแบบผิดๆอาจตั้งต้นง่ายๆจากการถูกชักจูงให้คิดถึงความน่ากลัวที่ไม่มีอยู่จริงตรงหน้าเมื่อความกลัวพอกพูนขึ้นหนาพอก็เกิดฤทธิ์ฤทธิ์ของความกลัวทําให้เกิดอุปาทานเกิดความยึดมั่นทางจิตได้แผ่ว เช่นเห็นเงาไม้ไหววูบวาบแต่รู้สึกราวกับเป็นแขนอสูรร้ายตลอดจนเกิดความยึดมั่นรุนแรงขนาดเห็นภาพและได้ยินเสียงชัดเจนท่ามกลางบรรยากาศมืดมืดแบบที่ตนเองตั้งความกลัวไว้ก่อนอุปาทานอันเกิดจากจิตยึดมั่นรุนแรงนั้นจะเล่าให้ใครฟังก็กลัวโดนหาว่าบ้า ทั้งที่ตนเองรู้อยู่ว่าเห็นจริงๆเห็นชัดมากได้ยินชัดมากนับว่าน่าเห็นใจเนื่องจากคนธรรมดาไม่มีทางแยกได้ออกว่าอันไหนผีจริงอันไหนผีอุปาทานโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่อาจระหนักว่าผีจริงนั้นไม่น่ากลัวเอาเลยผ่านมาแล้วเดี๋ยวก็ผ่านไปแต่ผีอุปาทานเนี่ยร้ายนักเพราะผ่านมาแล้ว มักจะขอสิ่งสถิตยอยู่กับจิตเราเลยไม่อพยพย้ายไปไหนง่ายๆขอให้เข้าใจว่าความกลัวระดับขี้ขึ้นสมองที่ต่อเนื่องยาวนานนั้นจะทำให้เกิดการหลังสารที่เป็นโทษบางอย่างออกมาทำให้ตกอยู่ในภาวะคล้ายฝันสามารถเห็นนิมิตอย่างโน้อนอย่างนี้ทั้งลืมตาตื่น ขอเพียงถูกกระตุ้นด้วยเรื่องน่ากลัวในชีวิตจริงบางอย่างเช่นเห็นใครจ้องมาด้วยแววตาดุ ด, ดันอาฆาตก็อาจฝังใจแล้วไปบวกเข้ากับฉากสยองของบรรดาหนังและเกมที่สั่งสมไว้ในหัวมาช้านานก่อตัวเป็นภาพหลอกเสียงหลอนขึ้นมาโดยไม่ต้องหลับฝันซึ่งเมื่อเกิดขึ้นได้ครั้งหนึ่งก็มาเกิดขึ้นอีกและอีก เหมือนถูกบุกประตูรั้วพังครั้งหนึ่งก็ไม่ยากที่จะมีครั้งต่อๆไปเมื่อเข้าใจเช่นนี้ทางที่ดีคือหลีกเลี่ยงจากเรื่องชวนเป็นโรคจิตทุกชนิดตั้งแต่วัยเด็กไม่ว่าเป็นหนังสยองขวัญเกมหารือโหดหรือกระทั่งข่าวอาชญากรรมหลอนๆแล้วหันหน้าเข้าหานิมิตดีๆเจริญตาจเจริญใจ มันสวดมนต์กราบไหว้พระพุทธรูปสวยๆที่เลื่อมใสเป็นส่วนตัวมันคิดช่วยเหลือคนตกยากให้จิตอ่อนโยนเปลี่ยนเมตตาเท่านี้ระดับความกลัวและอาการหวาดระแวงอย่างไร้เหตุผลก็จะลดลงไปเองพวกเรากำลังตกอยู่ท่ามกลางม่านหมอกพิษไม่เฉพาะจากมลภาวะทางอากาศ แต่จากมลภาวะทางจิตของผู้คนที่เต็มไปด้วยความโลภความโกรธและความหลงผิดความจริงเคยมีคนทําวิจัยเกี่ยวกับเกมโหดและภาพยนตร์ที่กระตุ้นความโกรธความเกลียดและความรุนแรงนั้นถึงขั้นทำให้แยกไม่ออกว่าอันไหนโลกความจริงอันไหนโลกจาลองยิ่งเกมและภาพยนตร์สมจริงขึ้นเท่าไหร่ อันตรายก็ยิ่งทวีคูณขึ้นเท่านั้นแต่เม็ดเงินในธุรกิจหมื่นล้านนั้นใหญ่โตราวมหาสมุทรที่ท่วมทับมโนธรรมนักธุรกิจไม่มีใครสนใจผลกระทบมีแต่คนสนใจวิเคราะห์ตัวเลขทางการตลาดว่าปีนี้ปีหน้าจะพุ่งสูงแค่ไหนนี่เป็นเครื่องสะท้อนอย่างหนึ่งว่ารสชาติของบาปอากุศลอาจน่าติดใจ ผลของบาปอกุศลย่อมเผ็ดแสบชวนขนพองสยองเกล้าวเสมอคุณไม่อาจห้ามโลกไม่ให้ไหลลงต่าแต่คุณห้ามใจตนเองไม่ให้หลงตามไปกับเขาได้ครับกันไว้ดีกว่าแก้ส่วนใหญ่หลงเพลินตั้งแต่เด็กแล้วค่อยมาคิดแก้กันตอนโตคิดดูว่าสั่งสมความกลัวมากี่ปีแล้วต้องใช้พลังศรัทธา และความเลื่อมใสสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนักหนาเพียงใดกว่าจะเอาชนะได้วิธีตั้งสติรับมือกับความกลัวไม่ว่าผีจริงหรือผีอุปาทานหากคุณมีความเลื่อมใสในพระพุทธคุณมีจิตใจอ่อนโยนเปี่ยมเมตตามากพอ ก็แก้ความกลัวได้ครอบจักรวาลขอเพียงให้ทานบ่อยๆรักษาศีลให้สม่ำเสมอก็จะเกิดความอุ่นใจอยากเผื่อแผ่ความสุขความดีงามให้เพื่อนร่วมทุกข์ทั้งหมดในจักรวาลไปเองเมื่อใจกว้างเห็นทุกวิญญาณเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ปรารถนาให้พวกเขาเป็นสุขหรื อ, อนุภาพแห่งความสุขอันเกิดจากเมตตาจิต จะสลายความกลัวในจิตใจคุณลงอย่างเห็นได้ชัดเหมือนแสงสว่างสาดเข้ามาความมืดย่อมถูกขับไล่ให้หายไปเชะนนั้นแต่ช่วงต้นหากเมตตา ย, ยังไม่มากพอรับมือคุณก็ต้องอาศัยสติเมื่อใดเกิดความกลัวให้ดูเข้ามาในใจเห็นให้ได้ชัดๆว่าจิตของคุณมีตัวตนตัวหนึ่ง คิดว่าตัวเองจะถูกทำร้ายพอใช้สติพิจารณาดูก็จะเห็นว่าความรู้สึกในตัวตนที่สำคัญว่าจะถูกทำร้ายมีจริงแต่การดดนทำร้ายไม่ได้เกิดขึ้นจริงหากเห็นชัดเช่นนี้ตัวตนอันเป็นอุปาทานจะเบาบางลงต่อให้ตาเห็นนิมิต จ, จริงก็จะกลัวน้อยลงเพราะอาการยึดมั่นทางจิต คลายลงนี่เป็นหลักครอบจักรวาลจิตที่ยึดน้อยจะกลัวน้อยหรือไม่กลัวเลยส่วนจิตที่ยึดมากจะกลัวมากหรือเป็นโรคประสาทได้เมื่อฝึกรู้สติบ่อยๆจนกระทั่งตัวตนผู้ถูกจ้องเล่นงานเหมือนหายไปจากจิตที่เหลืออยู่ในจิตคือสติเท่าทันความจริง ต่อไปพอเกิดความกลัวแค่รู้ทันว่ากลัวเห็นความกลัวเป็นเพียงพยับแดดในใจความกลัวก็จะเหือดหายไปในทันทีครับ